แล้วก็ง่ายกว่าจิตชอบที่ง่ายกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราชอบทาสิ่งที่ง่ายแต่ไม่มีประโยชน์เราไม่ชอบทาสิ่งที่ยากแต่มีประโยชน์นี่นปรโกไนพระธรรมบุตร ในธรรมบุทใช่ไหมใช่ค่ะธรรมบัธรรมบ <S 1> <S 1> ทค่ะธรรมบทก้อนนี้ปรากฏในธรรมบุทในเวลาอาตมาเริ่มปฏิบัติอนาบานาสติอยู่กับลมได้แค่นิดเดียวลืมแล้วก็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 ธรรมที่ตัวเองแสดนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมที่ได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเมตเถพูดแบบนี้อย่าลืบ อ, อย่ารีบยอมรับอย่ารีบปฏิเสธไปเปรียบเทียบกับ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 แต่ในช่วงแรกอาตมาไปปฏิบัติอนาบานสิตสติตอนนั้นเป็นพระพิสุทแล้วแต่จิตยังไม่ยอมจะทิ้งจะทิ้งอะไรจิตไม่ยอมยังติดอยู่เพราะว่าค้นเคยมาก็ปฏิบัติต่อเดี๋ยวนนที่สื่เข้าใจว่าในกรรมฐานสี่เไม่มีอันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาควรทำอะไรปล่อย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 เนวทางปฏิบัติที่เราดำรงปฏิบัติต่อไปเข้าใจใช่ไหมคำถามต่อไปนะคะวันนี้เห็นลมชัดเจนขึ้นแต่รู้สึกณนะจุดสัมผัสเวลาหายใจออกมากกว่าหายใจเข้าจุดสัมผัสของลมหายใจเข้าและออกเป็นคนรัตตำแหน่งกันได้หรือไม่คะถ้า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 แบบของแสงที่ปรากฏเหมือนกันแค่กลับมาดูเลาถ้ามีความสุขก็ไม่ต้องไปสนใจแค่กลับมาดูเราแม้อย่างนั้นเราลืมจะอยู่กับเหตุที่สามารถทาให้ความสุขสงบแสงปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับเหตุที่เป็น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 ทุกๆบันลานก่อนที่จะกำเนิรู้ลงเพเมตตาให้เก็ตัวเองห้านาทีให้เก่เเกบุคคลที่ตัวเองเข่าโรคจุนถิงจิตสงบอย่าลืมจะเพเมตตาถ้าชํานันก็ไม่ต้องเพเแล้วตอนนั้นเขาสามารถทําได้แต่ก่อนที่จะสามารถกําเนิรู้ลมเข้าลมออกได้อย่างดีต้องเพเมตตาแล้วก็โดยลืมตา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 การปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์การปดิบัติเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเกิดแต่วความสุขถ้าเป็นทุกข์ผิดอยู่แล้วผิดที่ไหนความเพียงนี่เลยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยากจะสามรถสิ่งที่เราทำในในเวลาเราแสวงหากามารว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 แต่ไม่ต้องไปสนใจแสงไม่ต้องไปสนใจที่ทอ้องอยากตามข้างในไปแค่กรเนดรู้ลงต้องให้ฝึกให้รู้ลงปลายที่ปลายจมูกที่ใดที่หนึ่งถ้าทำแบบนี้ต่อไปสามารถเข้าถึงชันได้วันใดวันหนึ่งท้าปฏิบัติภายใต้ครูบาอาจารย์ที่สามารถแนะนมสั่งสอนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ถ้อย่างดีสมาธิเกิดขึ้นมีความสุขสงบตอนนั้นใกล้ทั้งหมดไปเย็นดีความสุขสงบเพราะฉะนั้นลืมจะอยู่กับโลมเพราะฉะนั้นโลมหายไปอันนี้สาเหตุก็คือไปเย็นดีความสุขสงบลมก็ละเอียดอยู่ในเวลาโลมละเอียด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 ในขณะนั้นเขาก็ดูลมหายใจโดยเป็นจังหวะนับห 1-5 หนึ่งหเข้าออกนะคะและในท้องก็เกิดอาการสั่นเคลื่อนไหวม้วนไปมาเหมือนคลื่นกระทบลมหายใจม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกวนไปวนมาอีกส0นาทีนดทีคนไหน <c oughs> ไม่ต้องอยู่พันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปปฏิบัติ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 เจ้าของคำถามยกมือหน่อยสิคะ อ, อพระอาจารย์ชวนให้ไปปฏิบัติแล้วนะคะ<อ>ที่อ่างทองก <c oughs> <c oughs> ็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะเมื่อกีอ้ที่เราได้นั่งบุคคลที่เห็นแสงทั้งหมดทั้งหลายต้องออกจากบ้านแล้ว <c oughs> มีหลายๆคนไม่ใช่คนเดียวนะ ที่ น, นิยมเลิกถามเรื่องแสงแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะ <Hey. S 1> <laughs> มีคำถามแสงเยอะมากใชใช่ยมเลยต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่น <laughs> เอออันนี้นะคะคงเป็นเป็ น, ปนคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติอยากจะขอคาแนะนำการดูรมหายใจอาณาปานสติในท่านอนต้องทำอย่างไรคะในท่านอนก็เคก่กำเนุรูล้ลง ผู้บดิบัติทั้งหมดที่ลงมือปฏิบัติก็บอกกันในเวลามารายงานในเวลาในเวลานอนนอ น, น, อ, นอิรดีบุตในอิรดีบุตรนอน <laughs> มีครูสอน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 อาตมาไม่ให้กําลังใจจะทํานานๆเดี๋ยวก็จะนอนใช่ไหม <c oughs> นอนหลับก็เรีอาตมาแนีนำเสื้อผ้านาทีพอก็ลุกขึ้นปฏิบัติดอแต่ในเวลาที่นั่งปฏิบัติถ้าสามารถผ่อนคลายได้แบบเราใ น, ในเวลาที่เข้านอนนอนบนเตือนถ้าเราสามารถปรับตัวเองแบบเรานอนในเวลานั่ง ทำให้ผ่อนคลายดีและกำหนดได้ดีเหมือนกันแต่ในเวลานั่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ทำให้ตึงใช่ไหมเข้าใจหรีอเปล่าตึงในก็เลยมีความตึงเพราะว่าไม่ผ่อนคลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถ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 เงียบไม่อยากให้ใครใครรู้แต่ต้องเป็นผู้ชายแน่เลยค่ะเพราะเขาเขียนคำว่าครับพระเจ้าอาตมาดูคนผู้ใจยังไงถ้าไม่ต้องไปสงสัยแม้แต่ในเวลามีแสงเท็กลางวานันถ้าเราปฏิบัติ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 ไม่ได้ฆ่าไม่ได้เอาสิ่งของไม่ได้ทําไม่ได้ทําการเมจูพิชาอันนี้จะว่ายังไงการเมสูพิชามั้ยคะคือไม่ได้ไประเมิดไปไประเมิดผิดทางกรรมพิื่อเพื่อผิดในกรรมไม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ได้โกหก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 มนุษกัรย้อนดีสมนุกผู้ที่ไม่มีย้อนดีสมนุกไม่สำเร็จย้อนสมนกเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจย้อนีนยกคือ กำนู้ม่นั่การก็เข้าใจ้ไหมม่นัีการเ้กันกระทำไว้ในใจกันกระทำไว้ใ <c oughs> <c oughs> นใจ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 เข้าใจไหมอาตมาเองไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> <laughs> คำใหม่ๆเ <laughs> ย็บคลายใกังกระทรมไว้ในใจเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายโดยใช้คำง่ายๆดีไหมดีเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวๆขอทำหน่อยเมื่อกี้นี่สองคำนี้เข้าใจไหม เข้าใจก็ไม่ต้องบอกแล้ว <laughs> คนไทยเข้าใจคำคำศัพท์ไทยใช่ไหมก็รีก็ดีเหมือนกันเ่ <Yeah? S 1> คือพระอาจารย์ถามว่าคำว่าแยบคลายเนี่ยเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจ <laughs> ไม่เข้าใจคำว่าแยบคลายแปลว่าอะไรโ <laughs> ออยมเข้าใจไหมเข้าใจ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 เดี๋ยวอธิบายให้หน่อยการกระทาให้การกระทารระทไว้ในใจหมายความว่าอะไรเดี๋ยวความเข้าใจเหมือนกันนะการกระทาไว้ในใจการพิจารณาในใจโยนิโสมนิโสมนัสิกาเนี่ยค่ะ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 ลงทุนน้อยห <laughs> วังกไรมาก <laughs> แต่อยากได้กำลังมาก <laughs> กำไรกาไรแต่ยังไงก็ดีกว่าที่ไม่ทำทำต่อไปแต่ให้ลงทุนมากขึ้น <laughs>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 <laughs> อยากจะเป็นคนล้ำเลย <laughs> แต่ว่าอยากจะทำแบบคนจน <laughs> ใช่ไหมไม่ได้พูดตรงๆอยู่ทั้งออกจากสัมสารวัติไม่ใช่ทางง่ายถ้าทางง่ายเราจะไม่กกนผงพูดตรงๆอยู่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 ในการกำหนูรู้ลมให้มากขึ้นกว่านี้ต่อไปเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ดีเ ม, มเ ต, ตนอกเวลาปฏิบัติหลังจากการปฏิบัติก็มีความสุขสงบอยู่ตอนนั้นก็ควรกำหนูรู้ลมต่อไปแล้วถ้าดินจงกรมสิบห้านาทีย0สบนาทีแล้วก็ควรนั่งต่อ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 อาตมาเล่าให้ฟังลูกศิษย์คนหน่งของอาตมาเป็นชาวสิงคโปร์เขาก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงในประเทศของเขาประเทศของเขาต้องการเขาแต่ เ, เขามีบารมีเดี๋ยวออกจากบ้านเปลยนยังเปลี่ยนคาราวาสปฏิบัติสองเดือนติด็กโตตอนื่อนสมาธิดีขึ้นแต่ต้องไปทํางานใช่ไหม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 นึกถึงอยากให้โยมทั้งหลายนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำมาเคยขึ้นปลหนึ่งใช่ัหมกี่ปีโยมหนึ่งปีใช่ัหมเคยขึ้นเคยขึ้นสูงบัณฑิบัตรที่สอนท้งออกถึงหนึ่งปีแล้วหรื อ, อยังน่าอายจริงๆ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 ถ้าไม่มีความสนใจอันนี้อันตรายเราไม่สามารถปฏิบัติได้ดีถ้าไม่มีความสนใจเพราะฉะนั้นเราให้ต้องให้มีความสนใจ